b o อดี8อดีอดีตการของกริยาช่วยสอง modal v e r b 2ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตาลูกช i ยข ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอลดัตต i ร i มีวิลไม่เล่นฟุตบอลสามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉันคูนามี i ิลไม่เ l ่นสก็ ck แม่ไหมลูกลูกของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่นบาร n a า i ีวิลไม่ไปเที่ยว พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Percy พวกเขาไม่อยากไปนอนเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีมันฟิกไม่ได้ล้อว่าสไเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานฮันฟิกไม่ได้รับอนุญาตให้สปดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพรยัยฟิกล้อว่าอุ้นสก์ก์แม g หนดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Jeg j า g ฟ i กล lov และซื้อไปชิลล่าดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตยายฟิกล้วนและทานช็อกโกแลตคุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือฟิกรักเคุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือฟิกดูดืเก๊พยาบา คุณนาสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือฟิกต์่จามฮุนน์น์ไปโรมในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาัย้บาร์นาระวังที่จะ้างอกนาพวกเขาเล่นที่สนามได้นานดิฟิกเล่นในห้องลานดฟิกเล่ที่นั่งนา พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ดีฟิกว่าอปเล่